เมื่อวานไปเยี่ยมหลวงพ่อสุจินหลวงพ่อสุจินถ่ายลื่อนอยู่สิีิราชในชวอากาศไปถามท่านหลังๆคนชอบไปอ้างนะว่าท่านรับรองคนนั้นคนนี้เป็นพระอริยะจบกิจอะไรต่ออะไรไปถามท่านประเภทจับมือคุยกันไม่ได้จับเขาว่าท่านนอน บอกว่าจริงเหรอผมว่าไม่ใช่หรอกท่านบอกว่าท่านพูดถึงการปฏิบัติเวลาจะตายถ้าเวลาจะตายนะเราปล่อยวางไม่ยึดถืออะไรเลยปล่อยกระทั่งปัจจุบันได้ถ้าจิตมันไม่ยึดไม่ถืออะไรเลยนั้นก็หลุดไปเลยนะแต่ถ้ามันเกิดไม่ตายนะเดี๋ยวมันกลับมาหยิบอีกกลับมาจับเอาใหม่ แล้ท่านก็บอกว่าที่บอกว่าให้ทําว่างสว่างบริสุทธิ์เลยนะท่านก็ย้ําแล้วย่าอีกนะว่ามันมีสามระดับว่างะมีสามตัวว่างตัวที่หนึ่งเนี่ยว่างด้วยสมถะว่างตัวที่สองเนี่ยท่านบอกว่างโดยธรรมะข้อจริงก็คือว่างตอนที่เกิดมารคเกิดผลอีกอันหนึ่งก็เป็นสุญญตาเป็นมหาเป็นนิพพาน เงินที่ว่าว่างๆนะว่างสมถะนะคือท่านไม่ได้ผิดนะพวกเราฟังแล้วชอบเพีย้ยนชอบให้เกินเกินไหมเป็นโรคเห่อพระราหารันเหมือนสมัยพุทธกาลไม่มีเปลี่ยนนิสัยอย่างนี้เป็นนิสัยประจำมนุษยชาติสมัยพุทธกาลนะคนแก้ผ้าเราก็ว่าพระระหันละทำอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้นั้นก็เล่าเ่ง อาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งวันนี้เขาก็ภาวนาดีนะบอกว่าที่ว่าทำได้สองครั้งต่อกันไม่ไม่ห่างกันอะไรเงี้ยหมายถึงทำใจว่างๆนะมันไม่ได้ล้างกิเลสนะไม่ได้ล้างกิเลสแต่เจ้าตัวก็รู้ว่ากิเลสยังอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดนะผิดเลยไม่ผิดอยู่ที่เจ้าตัวเข้าใจยังไงถ้าเจ้าตัวรู้ว่ากิเลสก็ยังมีอีกนะก็ไม่ใช่ปัญหาละ ถ้าจะตัวชีว่าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันนี้ถึงจะเป็นปัญหาเรนะคุยกับท่านเลยเออเข้าใจกันแล้วนะท่านก็บอกท่านไม่ได้สั่งสอนเลยนะว่าให้ไปทำความว่างท่านแค่บอกว่าให้ซ้อมปล่อยวางนะสักวันละห้านาทนะีซ้อมมันวันละห้านาทีหมายถึงทาใจสบายสบายดูร่างกายมันไปมันจะตายก็ยให้มันตายไป ก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกพวกเรานี่ะเวลาจะตายนะดูมันตายไปเลยไม่ต้องไปดิ้นรนปรุงแต่งอะไร น, ะนี่ท่านบอกให้ซ้อมมลห่านะ่ะีเวลาที่เหลือให้ปฏิบัติท่านบอกอย่างนี้ปฏิบัติก็คือเจริญสตินั่นแหละไม่ใช่จะไปบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรการตอนซ้อมให้ใจมันไม่ดิ้นรนอนะควรเรื่องเลยนี่ท่านก็บ่นแล้วบ่นอีกนะบ่นไปบ่นม า, าสอนอย่างนี้เปลนแปลอย่างงด ของนี่แหละครับนี่สายโยมแหละเป็นอย่างนั้นแหละนี่จะตีความเข้าข้างกิเลสไปเรื่อยนี่เลยต้องเล่าให้ฟังนะไม่งั้นเดี๋ยวจะง ง, งว่าท่านกับหลวงพ่อไปสอนไม่เหมือนกันเลยท่านสอนแค่ว่าซ้อมวันละห้านาทีเวลาที่เหลือนะภาวนานะเลไอ้ตรงที่ซ้อมห้านาทีนันะนะนี่อย่างน้อยก็ได้สมถะได้สมถะ งั้นเราไปฟังแล้วแล้วก็ติความผิดๆนะกลายเปว่าท่านสอนให้ตกกระไดพอโจรก็คือทุกวันเลยฝึกอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องทําอย่างอื่นลนะฝึกปล่อยวางอยู่กับความว่างสว่างท่านบอกเอาว่างสว่างได้ไงมันมีอีกคำหนึ่งนะว่างสว่างบริสุทธิ์นะมีคําว่าบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่ว่างสว่างว่างสว่างเฉยๆนั้นก็เป็นสมถะบริสุทธนะิ์นัะบริสุทธ์ด้วยปัญญา เห็นความจริงมีปัญญามจะเกิดได้มันต้องมีสติรู้กายรู้ใจไปเราฟังเราเพียนเองอะ่ะท่านบอกให้ปฏิบัติถ้าพูดอย่างหลวงพ่อก็คือให้เจริญสติไปนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจทุกวันหลวงพ่อก็บอกว่าแบ่งเวลาไป็ช่วงหนึ่งทําในรูปแบบบ้าง10บนาทีสิบห้นาทีนะนั่งสมาธิเดินจงกลมไห้พระสวดมนต์ทำในรูปแบบไป รู้อยู่กับปัจจุบันไปใจไปติดไปคล้องอะไรก็ค่อยรู้ไปวันนี้เป็นอะไรแพ้อากาศซึมไปหมดละวถ้าอากาศมืดๆแล้วซึมพอจะพูดถึงเนื้อธรรมะก็เริ่มซึมได้ที่แล้วถ้าพูดเรื่องคนนว่างนั้นคนนี้ว่างนี้ก็ค่อยตาโต <c oughs> เข้าหน้าฝน เข้าเมาื่อวานไปศิริราชโอ้รถติดน่าดูคนกรุงเทพน่างสารนึงนะ่งเลยมีชีวิตที่หาความสุขยากเครียดแค่รถติดก็แย่แนละ้วเมือมาอยู่บ้านนอกไดชินนะพระองคเทพแล้วรู้สึกคนกรุงเทพน่าสงสารจังเลยหาความสุขไม่ได้เลยนะบรรยากาศเต็มไปได้วยความเครียดเครียดไปหมดทุกคนทุกแห่งเลย ตำรวจมันก็เครียดสุดขีด น, นะพวกะจราจรมันเลยเอาหุ่นมาตั้งไว้แทนตัวไม่ดักกับมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ไหนหมด <laughs> หัดทอนานาหัดไปแล้วชีวิตจะมีความสุขหลวงพ่อหัดตอนอยู่กรุงเทพนั่นแหละเป็นคนเมืองเหมือนพวกเราเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปจนภัย ก, การจราจรทั้งวันก็มีแต่เรื่องเครียดเครียดมันเป็นภาวะที่ยากลําบากของชีวิตคนในเมืองน ะ, นะแต่ว่าเป็นภาวะที่ภาวนา ง, ง่ายถ้ารู้หลักของการภาวนา ง, ง่ายมากเลยถ้ามีสติตั้งแต่ตื่นนอนเคยรู้สึกตัวไปดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานดูไปไเรื่อยๆเห็นมันทํางานไปมันไม่ใช่เราหรอก ถึงวันหนึ่งใจมันก็วางมันก็ปลาวางไปเป็นลำดับลําดับนะมีความสุขครฝึกไดเห็นโลกเป็นทุกข์นะเห็นขันเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยแต่จิตมันพ้นทุกข์จิตมันมีความสุขมีความสุขล้วนๆเลยกลับข้างกัน ยิ่งเห็นโลกเป็นทุกข์นะเห็นการเห็นใจเป็นทุกข์มากเท่าไหร่นะจิตใจยิ่งมีความสุขเยนพระละหันเนี่ยนะเวลาเห็นขันจนะหเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยแต่ ใ, ใจของท่านนมีแต่ความสุขอยู่อนะย่างนี้ยังแกว่งขึ้นแกว่งล ง, งไม่ใช่ของจริงหรอกให้ทําใจให้ว่างเลยเรีนแบบพระละหาันได้ชั่วครั้งชั่วคราวนรือก็กลับมาติดอีก มีเข้ามีออกนะแบบกำหนดลงไปปล่อยวางไปปั๊บบ้างเดี๋ยวก็ไปยึดมาอีกไปหยิบฉวยมาอีกกไม่ใช่ของจริงเมื่อก่อนหลวงพ่อก็หัดภาวนาหนานนักหนาละ2ยี่สิบกว่าปีแตั้งแต่หลวงปู่เทศยังอยู่แตหลวงปู่ดุลสิ้นไปแล้วตอนั้นภนะาวนาใจไ ม, ไม่จับอะไรเลยนะใจไม่จับ ทั้งอบเจกทั้งซับเจกไม่จับทั้งอะไรทั้งจิตทั้งอารมณ์มันไม่จับตรงไห น, นก็ว่างวับลงไปนะเหลือแต่ธาตุรู้อันเดียวมีแต่ธาตุรู้อันเดียวไม่จับอยู่ในอะไรเลยนะี่ไม่ยึดถืออะไรสักอย่างว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่มมันเป็นเองเล่นๆไปไปส่งกันบ้านหลวงปู่เทศ ท่านบอกฝึกไว้สมาธิเนี่ท่านบอกชันนะมันเป็นสมาธิสมาธิอย่างนี้ไม่มีใครเขาเล่นกันละอย่างนี้หายากให้ฝึกซ้อมไว้ให้ชำนาญเราก็คิดว่าซ้อมตรงนี้ชำนาญแล้วมันจะบรรลุพระอระหันต์ก็เล่นๆอยู่เล่นเรื่อยๆชอบชอบสบายมีความสุขเวลามันรวมเข้าไปนะันมอนเหมือนไม่มีเวลานี่ รู้สึกได้เลยอากาลิโกไม่มีเวลาแต่มีเห็นหถึงจุดหนึ่งก็ถอยออกมาดูเหมือนเหมือนแต่ไม่ใช่จนวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่บุญจันทร์ไปวัดสันติธรรมนะอันั้นไปสัมมาาที่เชียงใหม่กลางคืนกับคนอื่นเขากินเหล้าเข้าซ่องนะเรากลางคืนหนีไปวัดหนีไปตามวัด เชียงใหม่วัดที่ใกล้ที่สุดวัดสันติธรรมอาจารย์ทองอินอยู่ที่นั่นอาจารย์ทองอินเป็นลกสิษย์หลวงปู่สิมจะไปเยี่ยมท่านข้าไปถึงวัดท่านนั้นมืดตืต้อเลยตอนนั้นไม่มีไฟฟ้ามืดสนิทเลยหนาวด้วยมีพระมายืนอยู่ที่ประตูองค์หนึ่งพหนุ่มๆนะไปถึงเราก็ถามท่านว่าอาจารย์ทองอินอยู่ไหมท่านบอกอยู่แต่ไปหาอาจารย์บุญจันทร์สสิน อาจารย์บุญจันทร์มาพักอยู่ที่วัดนี้บอกผมไม่รู้จักอาจารย์บุญจันทร์หรอกตอนนี้มันปลาไปสักสองทุ่มแล้วไม่เอาดีกว่าไม่อยากควนเราไม่รู้จักท่านนะท่านก็ลบแล้วจะให้ไปเราก็ไม่เอาแล้วลุยไปหาอาจารย์ทองอินนะคุยกับอาจารย์ทองอินสักชั่วโมงออกมาสามทุ่มกว่าพระนี่มายืนเฝ้าอยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองอินเอง ลบเล้าใหญ่เลยครับไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยนะไปหาหน่อยนะโอ้พระนี้ยุ่งจังเลย <c oughs> เอไปก็ไปเกยงใจนะเนี่ยขึ้น <c oughs> ไปถึงนะท่านอยู่บนกุติ <c oughs> กุติไม้อยู่ข้างหลังหลังวัดสองชั้นขึ้นไปถึงนะท่านไม่ได้อยู่ในห้องนะหนาวหนาวนะ อ, อุตสามานั่งอยู่ที่ตัง ความจริงท่านมานอนรอคลุมโป่งอยู่แล้ขึ้นไปท่านก็ลุกขึ้นมานั่งนะผ้าห่มสัตชีหน้าเลยภาวนาไง 1400. โอ้ยองคนี้ดูฉันมันเลยไม่เคยรู้จักเลยนะดูเอาดูเอาเล่าให้ท่านฟังนะภาวนานะจิตมันจะไหลเข้าไปจับอารมณ์เรารู้ทานเราไม่จับมันทวนเข้ามาห า, าธาตุรู้นะมาหาผู้รู้เราก็ไม่จับผู้รู้เช่น แล้วมันรวมลงตรงกลางเลยไม่ได้รวมลงที่จิตไม่ได้รวมลงที่อารมณ์แต่รวมลงตรงกลางไม่เอาอะไรเลยระหว่างรูปกับรูประหว่างรูปกับรูปลงตรงกลางระหว่างจิตกับอารมณ์ไม่เอาอะไรสัอันท่านตะคอก อ, อะไรบเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเสียงท่านน่ากลัวกว่านี้เยอะนี่ตรงพ่อกลั ว, พวเพราะหลับสะตุ้ง พอมันออกใหม่เนียโอ้ตะอค อ, อกอีกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกอท่านก็ถามอีกยังไงจะภาวนายังไงจะปฏิบัติยังไงอีกเราก็อ๋อท่านฟังไม่เข้าใจเรามีวิธีปฏิบัติที่ยอดเจ๋งเลยท่านยังไม่เข้าใจ เ, เล่าซ้ําอีกรอบหนึ่งพอ เ, เล่าซ้ําอีกรอบเท่านตะอค อ, อกอีกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกโอ้เรารู้ขึ้นมาโอ้ไม่ใช่แล้ว นึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่เทศเขบอกว่ามันเป็นสมาธิรู้ว่านิพพานที่ยังมีเข้ามีออกมไม่ใช่ของจริงการนิพพานเป็นกราวๆไม่ได้เรื่องหรอกไม่ล้างกิเลสหรอกไม่ต้องไปน้อมจิตให้ไปอยู่ในความว่างอะไรหรอกเนะนี่ขนาดว่างสุดยอดแล้วนะไม่ใช่ว่างย่างด้วยจิตว่างนะว่างไม่จับทั้งจิตว่างไม่จับทั้งอารมณ์เลยท่านยังไม่ให้ออกเลยโดนท่านด่าหดูดูดูดดย ดูใจเรารลุดออกมานะใจเราโล่งเลยถ้าใจโล่งนัะท่านทดสอบหัวเราะเลยนะหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่่หัวเราะอย่างเงี้ยท่านหัวเราะเราก็คลืมแล้วหัวเราะตามท่านไปด้วยฮ่าฮ่าาบ้างท่านหยุดกึกเลยหันมามองหน้าพอท่านหยุดเราก็หยุดกึกเลยอืของเราระบบของเราเบรกของเราดีเราดูท่านปุ๊บก็ขาดเลยท่านบอกเออใช้ได้เนี่ยเพิ่งจะชม ชมตรงที่เราดูดแล้วมันดับวับลงไปนี่อุตส่าห์เข้าสมาธิท่านไม่มีใครเขาจะเล่นกันเท่าไหร่นะยังไม่ชมเลยตาเอาสิอีกแค่ดูจิตแล้วมันเห็นอารมณ์ที่กำลังคลึกคลื้นดับไปต่อหน้าต่อตาท่านบอกใช้ได้ไปได้ละไปไปพอเราลงจากกุตินะั้นได้ยินเสียงท่านหัว ร, อรนะ้อกับเพ้าลยสักพักแล้วองค์หนุ่มๆ น, ม น, ม น, มนันตามมา มาส่งที่หน้าวัดนั่นเปรี่ยวมากเลยมันจะมีรถมาปะ่ะคุณดูนะถ้าไม่มีหงดน้องเดินออกมาเนี่ยรถสองแถวของแถวจีใช่ไหมเพราะงี้ท่านก็บอกเนี่ยท่านอาจารย์ท่านสั่งไว้ตั้งแต่เย็นแล้วว่าวันนี้เอาตัวไปให้ได้นาะ <c oughs> ต้องเอาตัวไปให้ได้บอกโอ้ยานทัศนะท่านเยอะนะเนี่ยท่านรู้เร่วงหน้าท่านรู้เ่วงหน้ า, า, นนาตอนตอนเย็น ที่ท่านสั่งพระเนี่ยนะเรายังไม่ได้คิดจะมาเลยเราไม่รู้จะมาได้ไหมไม่เคยคิดเพราะนั้นท่านสั่งลวงหน้าโดที่เราก็ยังไม่ได้คิดเพั้นตัวนี้ไม่ใช่เฉโตภริย า, ยานนะตัวนี้จะเป็นอนาคตั่งสยามรู้อนาคตก็ละตัวกันไปคุยกับท่านแต่ไม่ได้บอกท่านเลยนะเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้อยู่มาไปบวชละวพรรษาที่สาม ออกพรรษาแล้วนะนนเราก็พอนางของเรามาได้พอเข้าพรรษาที่สี่มีคนมาจากเชียงใหม่หลายคนนะถามว่ามาได้ไงรู้จักได้ไงนะบอกอาจารย์บุญจันทร์สั่งให้มาบุญจันทร์ไหนฮะบอกบุญจันทร์จันททวรโรท่ามผาพึ่งให้สั่งได้ยังไงตอนท่านตายนะเรายังไม่ได้บวชเลยเราไปเผาท่านนะบอไม่รู้ล่ะ ท่านสั่งไว้เราบอกว่าพันษาปีนี้นะให้มาหาพระชื่อนี้ชื่อนี้อยู่ที่นี่ที่นี้สั่งโรงนาเาไว้ตัง้งสิบกว่าปีพวกนี้ก็มาดูนะมันดูแทนที่จะมาเรียนง น, นอยู่กับครูบาอาจารย์นะท่าเวลาเราติดขัดท่านก็แก้ให้ที่ติดขัดตอนนั้นก็คือไปติดที่จะไม่ยึดถืออะไรเลยนะ ว่างจริงๆนะไม่ใช่แบบที่พวกเราเดี๋ยวนี้ทำนะพวกเราเดี๋ยวนี้ทำที่บอกว่าจิตว่างจิตว่างมันส่งจิตไปอยู่ข้างหน้าเราไปว่างอยู่ข้างหน้าเนั่นกระจอกที่สุดเลยนะกิ๊กอกที่สุดเลยมันไปติดอารมณ์อยู่ข้างนอกใช่ไหมว่างจริงนะไม่ติดอารมณ์ด้วยนะไม่ติดจิต ด, ด้วยไม่ได้เพ่งตรงไหนเลยนะดับลงตรงกลางนะเหลือแต่ธาตุรู้ล้วนๆเลนะ แค่นั้นว่างแบบยังใช้ไม่ค่อยจะได้ออกว่างแบบน้อมนอมให้ว่างแล้วส่วนใหญ่ที่ภาวนากันทุกวันนี้นะภาวนาพวกที่เออาอะไรก็จะไม่ยึดอะไรต่ออะไรไม่ยึดถืออะไรสักอย่างก็จะไปสร้างภ พ, พที่ว่างๆอันนี้ขึ้นมาไปสร้างภ พ, พว่าง ๆ, ๆแล้วก็ไปติดอยู่ในภ พ, พที่ว่างๆนี้นนครับก็ตายอยู่ตรงนั้นแหละถ้าตายตรงนั้นก็ไปเป็นเทวดา ไปอยู่นิมมานนรดีบ้างอะไบ้างนะใครๆชื่อวัดนะวัดนิมมานนรดี <c oughs> ไม่สรงฌานไม่ถึงฌานถ้าถึงฌานเอาไปพรหมโลกนี่มไม่ถึงฌานาจิตเป็นกุศลเพื่อการเพี้ยงเอาไว้ยนะังอย่าเอาแค่นั้นนะอย่าเอาแค่ว่างพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปอยู่กับความว่างท่านสอนให้มีสติรู้กายรู้ใจให้รู้ทุกข์ไมใ่ให้รู้ว่าง ทุกวันนี้คนพาวนาเนี่ยเยอะมากเลยแต่ก่อนไม่ค่อยมีตอนหลังๆนี่ดูจิตมันบุมใครๆก็ดูจิตนะใครๆก็สอนดูจิตหนังสือดูจิตก็มีพิมพ์ขายเยอะแยะไปหมดเลยดูจิตเหมือนกันแต่ดีโอดูไม่ใช่ดูภาษาไทยนะไม่ใช่รู้ใครเป็นว่าไปแต่งจิตทำอย่างโน้นทอย่างนี้ทำอย่างนี้เราดีทำอย่างนี้เราบรรลุไม่บรรลุหรอก ยังปรุงไม่เลิกอยากบรรลุธรรมนะไม่ใช่น้อมจิตให้ว่างไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวว่างๆโลง่โลงๆสบายทางเดียวที่จะบรรลุธรรมได้นะต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละเรียองขอก า, ารทำมิปัสสนากรรมฐานหรือบางทีเรียกแบบง่ายๆเลยว่าทำสติปัฏฐาน แต่ว่ามันไม่ตรงกันทีเดียวนะคําว่าสติปัฏฐานกับวิปัสนากรรมถานสติปัฏฐานมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นสมถะส่วนหนึ่งเป็นวิปัสนาส่วนหนึ่งทําให้เกิดสติส่วนหนึ่งทําให้เกิดปัญญามีสองส่วนส่วนวิปัสนากรรมฐานเนี่ยเป็นการฝึกให้เกิดปัญญาเพะฉะ้นในสติปัฏฐานเนี่ยก็ยังปนปนกันอยู่ทําไมท่านสอนปนปนกันระหว่างสมถะกับวิปัสนา เราว่าสติปัฏฐานเนี้ยท่านสอนมาครอบคลุมกว้างกวางเหมาะกับผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายเลยนี่ผู้ปฏิบัติบางคนก็ต้องเริ่มด้วยสมถะก่อนบางคนก็จเจริญวิปัสสนาตรงเข้าไปเลยเนะี่ท่านสอนรวมๆไมันก็เลยมีทั้งสองแบบถ้าหากเรารู้กายนะรู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจการรู้ลมหายใจนั้นลการรู้ลมหายใจนั้นทำสมถะง่นะยายก็ทาวิปัสสนาคา y y ่อนข้างยาก อาจารย์อภิธรรมบางท่านหนึ่งบอกว่าอานาปัญสติเป็นกรรมฐานของมหาบุรุษระดับพระพุทธเจ้าอะไรพระโพธิสัตว์ทำยากส่วนใหญ่ทําแล้วไปติดสมถะแต่ถ้าเป็นกรรมฐานที่ประณีตที่สุดวกว้างกวางที่สุดทำกรรมฐานอื่นๆเวลาจิตจะรวมลงมาเป็นสมถะนะส่วนมากก็จะมาบกเข้ามาหาลมหายใจสัหน่อยแล้วค่อยรวม หรการเพ่งจิตมีจิตอยู่สองดวงนะที่ใช้ทําสมถะในจิต ท, ที่เพ่งความว่างนะในจิต ท, ที่เพ่งความไม่มีอะไรเลยนี่ในตําราบอกนะแต่ถ้าภาวนาชั้นนี้ชั่งนานจริงนะจะพบเลยว่าสิ่งที่ใช้ทําสมถะนะั้นไม่เลือกเลยอะไรอะไก็ใช้ทำสมถะไดนะ้อารมณ์ปัญญัติเช่นพุทธโธพุทธโธเนี่ก็สมถะได้สัมมาอรหังอะไรเงี้ยก็สมถะได้นะ พิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภะก็ทําสมถะได้ดูจิตก็เป็นสมถะได้ดูกายเพ่งกายนะเพ่งท้องเพ่งมือเพ่งเท้านี่นก็เป็นสมถะเพ่งลมก็เป็นสมถะจับเข้ากันิพานนะพระอริยะเวลาจะทําสม บ, บัติบางอันเรียกภารสม บ, บัติพลสม บ, บัติจับกันิพ า, านเมื่อไนพานเป็นอารมณ์ก็ทําสมถะได้ นันจริงๆสมถะไม่เลือกอารมณ์เลยแต่วิปัสสนาเลือกอารมณ์วิปัสสนาต้องรู้รูปนามต้องรู้กายรู้ใจจนกระทั่งเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจจึงจะเรียกว่าวิปัสสนาลำพังรู้กายรู้ใจเฉยๆเป็นสมถะต้องระวังนะตรงนี้หลายคนมักง่ายดิฉันทำวิปัสสนาทำมาทำยังไงดูท้องพองยุบไม่ลืมเลยรู้สึกอยู่ที่ท้องตลอด เดินจงกรมเด้๋ยฉันยกเท้าย่างเท้าไม่ลืมเลยนะรู้สึกอยู่ตลอดอันนั้นสมถะนะในอภิธรรมนะ้สอนไว้ชัดๆเลยว่าถ้าไม่เห็นใจรักไม่เป็นวิปัสสนาจริงเนาะต้องเห็นใจรลักษของกายของใจไม่ใช่ใจรลักของอื่นด้วยอย่างบางคนเห็นพื้นรู้นะเดินจงกรมพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งไปรู้รูปรูปภายนอกคือพื้นว่า ม, มันเย็นร้อนอ่อนแข็ง รู้ทำไมไกลตัวไปรู้เข้ามาในกายรู้เข้ามาในใจนี้ไม่ต้องไปรู้ของอื่นเสียเวลาอ้อมค้อมก็าเราภาวนาเพื่อลากความเห็นผิดว่ามีตัวเราอยู่ไม่มีใครคิดว่าอย่าดมเป็นตัวเราอยู่แล้วใช่ไมต้องมาพิจารณาอย่าดมไม่ให้เห็นว่าไม่ใช่เราเสียเวลาต้องมาดูไหมว่าพัดนี้ไม่ใช่ตัวเราเสียเวลามากเนะี่ยตัวเราอยู่ที่กายที่ใจรู้ลงที่กายที่ใจนะดูมันทางานไปเรื่อย จะเห็นได้มันไม่เที่ยงนะเห็นแต่มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเห็นได้ว่าวมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุบ้างเป็นนำมาทำเกิดดับเป็นขณะขณะไปบ้างนี่เห็นในนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนานต้องทำวิปัสสนาถึงจะเกิดมรรคผลนิพพานเวลาเกิดมรรคผลน salt, จิตมันปล่อยวางรูปนำปล่อยวางกายวางใจม่จะเห็นนิพพาน ของเราถ้าวางกายวางใจแล้วมันจะไปไหนนึกออกไห ม, มจะไปบัญญัติลืมกายลืมใจเมื่อไหร่ก็ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเมื่อนั้นไม่ไปนิพพานหรอกเพราะอะไรว่าไม่มีสติสมาธิปัญญาที่อัตโนมัตินะพอปล่อยการกําหนดที่รูปนามก็หนี้ไม่คิดเลยหลงไปในบัญญัติแต่การที่เราหัดทำํำวิปัสสนาเรื่อยๆนะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันแสสายมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงนะ่รู้ทนันหมดเลย โดยเฉพาะยกสุดท้ายเนี่ยนะมันจะรู้ทันรูปนามรู้แจ้งเลยวันนี้ทุกล้วนๆเลยต่อไปรูปนามจะมาดึงดูดจิตให้ไปสนใจไปรักใคร่ผูกพันไม่มีอีกแล้วเพราะจิตไม่ไปเกาะไม่ไปยึดถือในรูปนามนะตัณหาจะไม่เกิดคือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดอีกนะก็พ้นไปตัณหาไม่มี เมื่อตัณหาไม่มีอีกเลยนะนิพพานก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานึกถึงเมื่อไหร่ก็ปรากฏอยู่ตัวนั้นไม่ต้องเข้าสมาธิเพื่อไปหานิพพานนะนิพพานเต็มบริบูรณ์เต็มโลกกาะแกอยู่ไม่เคยว่าววาวแบ่งแบ่งนะถ้ายัางต้องกําหนดจิตเพื่อเข้าไปเป็นข่าวข่าวนะั้นเป็นสมถะธรรมฐานนะงั้นแค่มานัสิกานถึงก็เห็นนะ้ไม่ได้จำเป็นต้องไปทําอะไร แต่อย่างพระโสดาสกทาคาพระอนาคานี้ยังไม่ชำนิชำนาญในนิพพานเวลาจะรู้นิพพานเนี่ยให้มารู้รูปนามก่อนมารู้ที่กายที่ใจของตัวเองไปรู้จนจิตมันวางนะไม่ไปเห็นนิพพานแต่ถ้าราวนาสุดขีดแล้วนะแค่มานัสสิการถึงระลึกถึงเนะี่ยก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาไม่มีการเข้ากันออกเลย ไม่ใช่ส่งจิตเคลื่อนปื๊บไปตรงนี้เข้านิพพานขอยจิตออกมาตรงนี้ออกจากนิพพานอันนั้นไม่ใช่นิพพานแล้วนะเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยฉะนั้นจตุพเพทอย่าง เ, เข้านิพพานแล้วส่งจิตวิ่งปูเลงปูเลงไป <c oughs> จิตที่ยังวิ่งไปวิ่งมาได้ใช่ไหมมันมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งไม่ใช่นิพพานหรอกยังห่างไกล เป็นจิตที่มันไม่ยึดไม่ถืออะไรนะมันกว้างกวางใหญ่โตเต็มโลกเต็มจกักรวาลมันไม่มีการวิ่งไปวิ่งมาแนละ้วไม่มีการส่งไปส่งมานะเป็นจิตที่รู้จิตที่ตื่นจิตที่เบิกบานเป็นจิตที่ปกติเป็นจิตที่ธรรมดานะเพราะฉนั้นหลวงปู่ดูลยเคยสอนบ่าเวลาจะนิพพานเวลาจะตายเนี่ยพระอรหันต์เวลาจะนิพพานนะถ้านิพพานด้วจิตของมนุษย์ปกติไม่นิพพานในฌานสมาบัติใดๆทั้งสิ้นเลย ดูเวลาลีลาแห่งการนิพพานของพระพุทธเจ้าด้ยท่านเข้าสมบัติเข้าไปถึงนิโรธสมบัตินะนแล้วยังไม่นิพพานท่านถอยกลับออกมาจนะนถึงปฐมฌานะทวนขึ้นทวนลงเนี่เป็นการวอมเล่นนะเพราะเวลายังเหลือยังไม่ถึงเวลาจะขาดใจไ ม, ไม่เล่นไหลท่านเล่นกีฬาทางใจเล่นถึงเวลาจะดับนะั้นดับลงระหว่างรูปกับรูปนะั้น ไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาคือไม่ได้ยึดอะไรไม่ได้ยึดในรูปประภูมิหรืออรูปประภูมินะจิต ด, ดับลงในสภาวะปะกติธรรมดาของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเองงั้นะสุดท้ายนะั้นภาวนาแทบตายเพื่อจะกลับไปสู่ความเป็นธรรมดานะธรรมดาแต่ยโมเมนะเออาก็ไม่ยึดอะไรสัอย่างไม่ยึดอะไรสัอย่างนั่นแหละยึดในความคิดความเห็นว่าจะไม่ยึดอะไรสัอย่างใจมันยังยึงยดอยู่ แต่ปากก็บอกว่าไม่ยึดอะไรสักอย่างใช้ไม่ได้มันจะไม่ยึดได้มันต้องเห็นความจริงไม่ยึดกายได้เพราะเห็นความจริงของกายนะว่ามีแต่ทุกรุนรุนไม่ยึดจิตได้ก็เพราะเห็นความจริงของจิตว่ามันมีแต่ทุกรุนรวนเพราะเห็นอย่างนั้นมันถึงจะไม่ยึดไม่ยึดแล้วมันระวังรอวางกายวางใจวางรูประวังนามนังก็เห็นนิพพานถ้าจิตหมดความดิ้นรนแสบใส่ไม่ใช่อย่างพวกเราพอนานนะจิตไหลไปจับใน จิตยังไหลได้ยังทยานได้มีตัณหาผลักตันมีความทยานอยู่คนโบราณแปลตัณหาเก่งนะแปลว่าความทยานอยากไม่ใช่อยากเฉยๆนะอยากแล้วทยานด้วยรู้สึกไหมไม่ใช่ทะลึ่งอยากเลยนะทยานอยากมันทยานจริงๆรู้สึกไมมไหลไปนะจิตยังไหลได้จิตมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งถึงจะไหลไปอยู่ในความว่างก็เป็นพบว่าง เพราะพเราที่ภาวนาแล้วรู้สึกว่างๆสังเกตให้เดียจิตมันเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าแล้วไปติดอยู่ในว่างๆอยู่ข้างหน้าเนี้ยลวงพ่อไม่รู้ทําได้ไหมเดี๋วันนี้ต้องทํานะเนี่ยแมบอกมีความสุขเราเห็นถูกจะตายมันพบชัดๆเลยอย่าไปสาคัญมั่นหมายว่าพบใดพบหนึ่งนะแม้จะวิเศษประณิดสักเท่าไหร่ก็ตามอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นตัวสุข ที่แท้มันเป็นตัวถูกล้นอนล้อนไปเชิญไปทานข้าวนิมนต์ลยครับนิมนต์